ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุ ม, มก็ได้เสนอตัวเนื้อหาพระสูตรสภาสวัสังส์สรรระสุทรก็จบไปแต่ว่าในพระบาลีพุทธวจนะเหล่านั้นมีคำเป็นนั้นมากที่ ไม่สามารถอธิบายขยายความออกไปโดยพิสดารได้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขยายเพราะว่าทรงแสดงแก่ภิกษุผู้ฟังประเด็นที่จะนำมาเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือในยะที่พระตักรทาจารย์ท่านอธิบายขยายความออกไป ก็ทำให้เราเกิดความรู้ในแนวลึกขึ้นและก็กว้างออกไปแม้โดยอาศัยคําเพียงคําเดียวประสูนนี้ได้เน้นไปที่ตัวแทนของสัปพปกิเลสคืออาสะวะได้แก่กามาสวะอา ส, ะ ว, ะอาสะวะคือกมรมภ ว, วะสวะอาสะวะคือภพอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชา แล้วเราก็มักเก็บแย์อสาาวะว่าเป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องหมักหมมสะสมอยู่ภายในจิตใจของเราในการพูดทั่วไปก็ดีในการเขียนทั่วไปก็ดีจะไม่อธิบายขยายความมากเพราะว่าประเด็นมันเยอะแต่ว่าเวลาพระตถาจารย์ท่านอธิบายเนี่ย ท่านก็เรียบเรียงหนังสือเรียกว่าขยายกรอบออกไปเต็มที่เลยว่ากรอบของคําว่าอาสวะเนี่ยโดยเนื้อหาสาระแล้วคืออะไรและมีข้อคายมาเป็นยังไงก็เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในภาคเรียนรู้ภาคทําความเข้าใจตลอดถึงภาคของการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันเมื่ออาสวะมันเป็นตัวแทนของสัพพกิเลสก็ อ, อยู่ในกลุ่มรากงาของกิเลสก็คือโรกกวดหลงก็ไปเสริมความเข้าใจในเรื่องโรกกวดหลงซึ่งก็เป็นตัวแทนของกิเลสอีกนั่นแหละให้กว้างขวางออกไปข้อนี้คำว่าอาสวะ ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงสัตย์พะสูจนี้ด้วยคําเริ่มต้นว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงปริยายว่าด้วยสังวรอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายแล้วก็อธิบายว่าปริยายว่าด้วยสังวรอาสวะทั้งปวงเป็นเหตุสํารวม คือเป็นเหตุระมัดระวังอาสวะทุกอย่างนี่คือขอบขายของคำสั่งวอนในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุ อ, อาสวะที่ที่ภิกษุหรือว่าใครก็ตามนะใครก็ตามที่ยังมีกิเลสเหล่านี้อยู่จะต้องมีการระมัดระวังป้องกัน เป็นเป็นเป็นอันถึงความสิ้นไปลราวคือความรับไปโดยไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือละได้ได้แก่ไม่เป็นไปคำอาสวะนั้นที่ชื่ออาสาวะเพราะอัตวะไหลไปอธิบายอาสวะเหล่านั้นย่อมไหลไปไหลออกทางจากสุจนถึงกระใจนั่นแหละ คือตาหูจมกลิ้นกายใจเวลาสัมผัสอารมณ์ยกตัวอย่างว่าเห็นรูปเอารูปสวยเนี่ยมันก็จะไหลไปหารูปสวยพอไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเทียบเคียงกับรูปที่สวยกว่าหรือนึกถึงรูปที่สวยกว่าหรือรูปที่ไม่สวยรูปที่ไม่สวยก็จะเกิดความรู้สึกประเภทวิภวะตัณหาหรือ อารติหรือโทสะประเภทที่สวยกว่าก็ทำให้ใจมันไขว้คว้าไปหารูปที่สวยกว่าสรุปว่าในที่สุดมันก็กลายเป็นการปรุงคิดคิดปรุงไปเรื่อยๆโดยใส่รูปที่สวยกว่ารูปที่สวยและก็รูปที่ไม่สวยหรือบาทีก็อาจจะตรงกันข้ามกับเรื่องเหล่านั้น อสวะนั้นเมื่อว่าโดยธรรมย่อมไหลไปจนถึงโคตรตะพูคื อ, อจิตที่เป็นเป็นโคตรอะเป็นโคตรคือมันมันอยู่ลึกเมื่อว่าโดยอากาศก็ไหลไปถึงภควะกระพุ่มเพราะอะไรเพราะว่าเช่นสมมุติว่าเราคิดว่าสวรรค์นั้นเป็นสุข เอ็ดาวดึงนี่มันสุกกว่าจ่าตุมาราชเอชั้นยามเนี่สุขกว่าดาวดึงแล้วดืสิทธ์เนี่ยก็สุกกว่าชั้นยาบเป็นต้นก็ว่าไปเรื่อยเลยจนถึง พ, ะพระกัมภปเหตุ น, นั้นจริงชื่อว่าสวะอสวะเหล่านั้นทำเหล่านั้นทำทำเหล่านั้นและโอกาสนั้นไว้ภายในใจในอำนาจ ท่านจึงแปลว่าอาสวะมันก็เหมือนกับของที่หมักดองมีน้ำเมาเป็นต้นหมักอยู่นานความจริงในทางโลกน้ำเมาที่หมักไว้นานเขาก็เรียกว่าอาสวะถ้าน้ำเมานั้นต้มเมาเป็นต้นเรียกว่าอาสวะได้เพราะความมาหมักไว้นานใสกิเลสเหล่านี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ก็อลองสังเกตว่ากิเลสมันเป็นนามธรรมาเราจะใช้นามธรรมาสื่อสารโครมลงไปเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอนะ่ะเพราะะจึงมีตัวแทนที่เป็นรูปธรรมให้เป็นสื่อไม่ว่าอะไรก็ตามคำกิเลสยิ่งละเอียดเนี่ยจะมีตัวสื่อตัวแทนสื่อแต่เช่นสมมติว่าอาสวะก็เปเร็วเครื่องหมักนอง สังโยชน์ก็เป็นเครื่องที่ผูกใจสัตว์เอาไว้ยันธาเป็นเครื่องร้อยรับจิตใจเอาไว้โอคาเป็นสิ่งที่พัดผันจิตของบุคคลไปโยคาเป็นสิ่งที่ขังจิตของสัตว์เอาไว้ให้ยึดติดสยบติดอยู่ในสถานทาี่เดียว น, น, นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรืเรยเราก็เห็นว่าเอออันนี้มันเป็นรูปธรรมอะ การกักขังเราก็เห็นภาพของคนที่ถูกกักขังว่ามันจะสูญเสียสรภาพด้วยประการต่างๆาเราก็เห็นข่าวบ่อยๆที่มีการนำนักโทษกลับจากศาลหรือว่าไปศาลมีการตีโซ่ส่วนไ้ที่ข้อเท้าเตือนเหินก็ลำบากกับความคล่องแคล่วเรื่องวิ่งอะไรก็เรียกว่าเลิกพูดกัน ก, นนก็น้อมก็มาว่าถ้าเราไปเกิดตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเราจะมีความเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างใหญ่ใจมันก็จะคิดกลับไปถึงเหตุที่ให้คนเหล่านั้นถูกตีส่วนว่าถ้าไม่มีเหตุตรงนั้นแต่การตีส่วนมันก็จะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวทำมาหลอกกลัวกลัวผลซึ่งเกิดขึ้นเป็นการตีส่วนแล้วก็ไปเว้นเหตุที่เป็นเหตุที่ต้องตีส่วน กวกลายเป็นการสอนธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรรมเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งแทนที่จะ แ, แสดงเป็นนมามธรรมหรือว่าแสดงเป็นเครื่องหมักดองหรือหมัก ม, มุมเพราะว่าหมักมุมบางทีเราก็ไม่เห็นในขณะนั้นแต่พอดีไปเห็นอาการที่สืบเนื่องไปจากสิ่งที่หมัก ม, มุมซึ่งแน่นอนว่าเหตุที่ ทำให้คนต้องตีตัวนั้นมันก็ต้องมาจากอาสวะเ ข, ข้อใดข้อไหนงนี่ยทีนี้รับสั่งว่าพิสูจนทั้งหลายเงื่อนต้นของวิชาไม่ปรากฏคือไม่ปรากฏว่าในการก่อนนี้มิได้มีอวิชาดังนี้อีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอาสวะรัตว์ไหลไปคือไหลออกไปจากสังสารทุก ดังนี้บ้างคือบายความว่การที่เราลดทำลายอาสวะได้มันก็ไหลออกไปจากออกจากสังสารุกตุกาเข้าสู่นิพพานดังนั้นในพระสูตรเราจึงพบข้อความว่าอาสวหิจิตานิบิมุจจริสรจิจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นอูว่าฐานแล หมายความว่าธรรมะทำหน้าที่ขับเคลื่อนอาสวะให้ไหลออกไปจากจิตจนจิตหลุดพ้นจากพันธนาการของอาสวะก็โดยการบรรลุมรรคผลนิพพานรีกประการหนึ่งก็คือในรูปวิคร้อนี้ย่อมใช้ไปนในกิเลสทั้งหลายโดยชื่อว่าอาสวะ ส่วนคำอธิบายหลังใช้ในกรรมก็ได้ไม่ใช้เพียงแต่กรรมกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นอาสวะโดยที่แท้แม่อุปตัตตะนานัปปการมันก็ชื่ออาสาวะหมายความมันจะเกิดอะไรก็ตามก็อยู่ในกรอบเดียวกับอาสวะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอาสวะ เราจะถูกจับถูกยิงถูกอะไรก็ไม่รู้นะติดคุกติดตารางหรือบ่าประสบอบัติเหตุพอสาวลึกลงไปก็เจอเอออาสวะอาสวะมันเป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากรอบก็ขยายออกไปโดยลำดับ่ออชื่อว่าอาสวะเหมือนกันความจริงในพระสูตรทั้งหลายกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นมูลเหตุ ให้ก่อการทะเลาะวิวาก็ชื่อว่าอสวะไม่ว่าศึกสงครามเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นเหตุอสวะยกตัวอย่างว่าศึกสงครามต่างๆไมายว่าจะเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดนะฮะตั้งแต่โลกมีมนุษย์มานั่นแหละถ้าเราดูที่อาการซึ่งผลปรากฏเนี่ย ก็คือการการรบราคาฝัดกันโดยเครื่องไม้เครื่องมือก็แล้วแต่จะใช่อะอาการเหล่านั้นถ้าเราไม่มีโทสะไม่มีโลภไม่มีโมหะเนี่ยเราไม่ทำทำไม่ได้ในขณะทำนั้นจิตใจจะต้องมีเรื่องเหล่านี้อยู่บางครั้งต้องสร้างไอจินตนาการให้คิดว่ามันเป็นบุญ เพื่อให้คนไม่เกิดความลังเลจึงมีการอธิบายกันในเรื่องต่างๆเช่นการสละชีพเพื่อชาติใดๆต่าง ๆ, ท, งๆทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นอุบายวิธีที่จะป้องกันจิตเอาไว้จากเหตุผลสติปัญญาในการหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของตัวเองแต่จะอธิบายยังไงเนี่ยมันก็ไม่พ้นไปจากอํานาจของอาสวะ เพราะความจริงก็คือความจริงการกระทำอะไรก็ตามไปตาที่ทำไปด้วยอานาจของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำผลมาเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นเราก็เห็นการรบราข้าวฟันบาดเจ็บล้มตายมากมายกายกองเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านพอสาวไปแล้วก็จะเจอ เืองอาสวะก็แสดงว่าอาสวะในที่นี้จึงแทนกิเลสทุกๆชื่อเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้ทีนี้ถ้าเราเอามามองระดับสีซึ่งมันเป็นรูปธรรมเหมือนกันเราเห็นว่าสีน้ำนันก็ผิดหมดทั้งห้าขอ้อประตุสลายต่อชีวิตประตุสลายต่อทรัพย์ มีการร่วงละเมิดในทางเพศแล้วก็แถลงการโกหกหลอกปลวงฝ่ายชนะก็ดีใจก็ดื่มเหล้าฉลองฝ่ายแพ้เสียใจก็ดื่มเหล้าแก้กลุ่มทีนี้มันมันก็ที่ทำเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงยังเป็นอาการของอาสวะอยู่เพราะรายการฆ่าสัตว์เป็นบาว จะค่าคนข่าแมวค่าอะไรก็ตามก็เป็นบาปแต่เพราะกิตใจมันมากโดยอวิชชาสวะหรือมากโดยการมาสวะภาวาสวะเพราะต้นเหตุแห่งศึกสงครามส่วนใหญ่มันจะมาจากการมาสวะภวาสวะคืออยากได้ก็อยากเป็นอยากได้ก็อยากเป็นแม่การขยายอาณาเขตของ พระเจ้าสุกมาราชที่โจมตีแคว้นโอริสาสมัยนั้นคือแคว้นกาลิงคราชในสมัย น, นั้นมันก็อยากจะครอบครองอยากจะเป็นผู้อย่างผู้คุกรกปกครองควบคุมแคว้นกาลิงคราชพระเจ้าชาติทูยกกองทัพไปตีแคว้นวัตชีก็อยากได้แคว้นวัตชีแล้วก็เป็นใหญ่ในแคว้นวัตชี ก็แสดงว่าเป็นทางการมาสวะภาวะสาวะแล้ววิชาสาวะพราะฉะนั้นกรอบของอสวะท่านจึงอธิบายขยายให้ครอบคลุมไปทั้งหมดซึ่งที่จริงยาธิบายหรือไม่อธิบายเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันครอบคลุมแม้แต่คำว่าโลภะ ค, ค่าวคเดียวมันก็ครอบคลุมไปแล้วทีนี้ความจริงในประสูตทรทั้งหลาย อย่างที่รับสั่งว่าจุนทะเราไม่แสดงธรรมเพื่อการสังวรระวังเหล่าอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมเท่านั้นหมายความว่าไม่ได้พูดเรื่องการสำรวมระวังเรื่องอาสวะเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นนะฮะทิฏฐธรรมก็คือในปัจจุบันกรรมมันเป็นไปในภูมิสามและเหล่าอกุศลที่เหลือทั้งหลายก็ชื่อว่าอาสวะในคํานี้ ในคำที่ว่าเราพึงไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์จะพึงไปสู่อันไถยชะกำเนิดคือเกิดในขันในไข่สิ้นไปแล้วอันเราขาจัดแล้วทำให้พินาศแล้วดังนี้หมายความว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีอาสวะอยู่ก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด อ, อาจจะเป็นยักษ์ก็ได้อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้ อาจจะเป็นสัตว์ดิรัชานก็ได้แต่ถ้าอาสวะมันสิ้นไปอาสวะได้ถูกกระจัดไปแล้วก็ทําให้พินาดไปก็ยกตัวอย่างพระองค์ว่าพระองค์ทําให้พินาดไปแล้วทีนี้การไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าการจรจําแล้วปัจจวัช น, นับประการที่เป็นเหตุให้สัตว์สวยทุกแน่บายก็ชือ่อว่าอาสวะ อันนี้มองผลผลปรากฏมองผลปรากฏวันก่อนเขาอ่านนิยามของคำว่าจริยธรรมและคุณธรรมคือจริยธรรมและคุณธรรมนั้นที่จริงเมื่อก่อนตั้งหกสิบกว่าข้อนะฮะที่นำมาเรียนมาสอนเด็กกัน เข้ามาก็เคยเข้าร่วมประชุมเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมก็มาจากกับเกาะกลุ่มดูก็ไม่เห็นมีอะไรคือแยกกลุ่มไปเฉยๆโดยไม่เข้าใจถึงสภาวะแห่งธรรมะวันนั้นก็เลยตัดตๆตตตตไปเยอะเลยอย่างเหลือรู้สึกจะก้าข้อหรือหกข้อเนี่ย แล้วก็อธิบายให้ที่ประชุมมนฟังว่าถ้าไอ้สิ่งนี้มันเกิดมันก็คือชนิดเดียวกันข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ชเดียวกันเพียงแต่เราเรียกชื่อที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าตัวกิเลสเป็นประเภทเดียวกันเขาบอกว่าการกระทำอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาชอบ ก็ถือว่าเป็นจริยธรรมอันนี้มันก็ผิดแล้วเอาคนไปตัดสินเนี่ยมันไม่ได้ครับอย่างวัวหน้ามือปืนสั่งลูกน้องให้ไปฆ่าค น, นลูกน้องไปฆ่าแกก็ชอบแต่ลูกน้องไม่ไปฆ่าแกก็ไม่ชอบแต่ถ้าเราถามว่าการฆ่าฆ่าคนนี่ถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้อง หรื อ, อยังไงมันก็ไม่ถูกต้องนัง่นแหละคือกรอบมันจะหลวมแล้วเขียนตัวเยอะนะฮะพยัญชนะเยอะมากก็แสดงว่าคนที่เขียนเองก็คงจำไม่หมดม่ามีอะไรบ้างดังนั้นเราเห็นถึงสภาวะของกิเลสพอกิเลสนั้นพูดโดยพิสดารก็ได้พูดโดย สรุปก็ได้แล้วอาจจะสรุปเป็นโลกกฎหลงราคะราคะโลโทโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะหรือจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเรียกชื่อเป็นอุปกิเลสเรียกชื่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ในที่นี้ส่งเรียกคําว่าอาสวะคือส่งใช้คําว่าอาสวะทั้งหมดเนี่ย ท, ท, ที่ที่ว่าเนี่ย ปัญหาเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมาจากอาสวะก็รับสั่งว่าเราตาาคตจะแสดงธรรมเพื่อเรามัดระวังอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเพื่อบําบัดอาสวะอันเป็นไปในสัมปรายภพหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าอาสวะได้ถูกขจัดไปในปัจจุบันได้ ต่อไปก็ไม่มีอาสวะผลผลที่จะได้รับจากอาสวะมันก็จะไม่เกิดในอนาคตเพราะว่าเหตุมันไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอาสวะก็ดีหรือว่าถูกบังคับสนรพายจากผู้อาสวะทั้งหลายก็ดีก็จะไม่มีหรือแม้แต่ การสอนธรรมะทั้งหลายของพระองค์ก็พูดถึงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าหรือว่าโทษในโลกนี้และก็โทษในโลกหน้าการการงนเว้นบาปเบ้นบาปซึ่งก็สืบเนื่องมาจากอาสวะอีกแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ในโลกหน้าทีนี้ยังทําอะไรไปตามอานาจของอาสวะ ก็เป็นโทษในปัจจุบันแล้วก็เป็นโทษในโลกน้าในสลายตนาวัตในสังยุตติกายนะฮะก็ได้ทรงแสดงกลมาสวะภาวาสวะวิชาสวะไว้แม้ในแห่งอื่นก็สงชัยคข้ามาอย่างนั้น แต่ว่าในอภิธรรมนั้นก็บางทีก็เพิ่มเป็นสีไปรวมทิฏฐาสะ ว, าเาเวะเข้าไปด้วยกาสวะภาวาสะวะทิฏฐาสะวะวิชาสะวาอสะอสวะคือทิชชิอย่างพระพุทธาธิษฐันฐว่าพิสู์ทั้งหลายอาสะวะซึ่งเป็นเหตุยังสัตว์ให้เข้าถึงนรกก็มี อสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่กำเนิดสัตสว์ในฉานก็มีอสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่วิสัยเปรตก็มีอสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่มนุษย์โลกก็มีอสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปบังเกิดในเทวโลกก็มีนี่หมายความยังไงหมายความว่าอสวะนั้นมันยังไม่หมดแต่มันจางลงพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะบวกสูงขึ้นเมื่อบวกสูงขึ้น ก็แทนที่จะไปเกิดในอบายสิก่อนจะเกิดในมนุษย์ซึ่งเป็นสุกตินะฮะแล้วก็อาจจะเกิดในสุกติโลกสวรรค์อีกหกชัน้นทีนี้การที่เกิดในบายก็แสดงว่าความเข้มข้นของอาสวะมันสูงพฤติกรรมก็ออกมาลบเป็นการกระทํำที่เบียดเบียนตัวเองบิยดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อน ก็เป็นเหตุให้ตัวเองได้รับผลทานองเดียวกับที่ทําแก่คนอื่นคือตัวเองก็ประสบความเดือดร้อนเช่นเดียวกับที่เราเคยทําแก่บุคคลอื่นอย่างที่พูดง่ายๆว่ามักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้นนั่นเองดังนั้นในสักกาิบาต จากการนิบาตก็คือธรรมะที่ทรงแสดงหกหมวดก็ทรงแสดงไว้ว่าพิสูจน์ต่งหลายอาสวะที่ต้องละโดยสังวรมีอยู่ส่วนในสูตรนี้อาสวะหกเหล่านั้นนั่นแหละรวมทั้งอาสวะที่พึงละโดยทัศนะเป็นอาสวะที่เจ็ด ความหมายของศัพท์เรีจำนวนความอาสวะในบทววาอาสวะพึ่งรทราบตอนนีก้ก่อนก็ยาที่บอกนะฮะคือเราจะเอากิเลตัวไหนมาเรียกว่าอาสวะก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็เรียกได้อยู่นั่นทีนี้ประเด็นคือการสังวรสังวรวันก่อนก็พูดข้อเดียวนะฮะพูดเฉพาะอินทร์สังวร เป็นการป้องกันกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าคำาั่าสังวรคืออะไรสังวรคือปิดสังวนคือห้ามได้แก่ไม่ให้เป็นไปอย่างที่รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราแต่ถาคตอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุพูดต้องการพักผรในกลางวัน ต้องปิดประตูซะก่อนแล้วจึงพักผ่อนในที่บางแห่งก็บอกว่าปิดดังในคำที่ว่าเราตถาคตกล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสตันหากระแสเหล่านั้นบุคคลย่อมปิดกั้นไว้ด้วยปัญญานี่ก็รับสั่งแสดงแก่มานบสิบหกคนลูกศิษย์ของพรามภาวีรี ท่านถามอาชิตนะฮะอาชิตมนุษย์ถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากและความอยากนั้นจะละได้เพราะอะไรพระเจ้ารับสั่งว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากและความอยากนั้นจะละได้ด้วยปัญญาทีนี้ในความเป็นสังวรจริงๆทรงแสดงถึงห้าวิธีนะฮะห้าวิธีด้วยกัน วิธีแรกก็คือสีและสมบัสัมรวมตามบทบัญญัติของศีหมายความว่าเราสมท า, านศีเท่าไหร่ล่ะศีห้าสีแปดสีสิบสีสองร้อยี่เจ็ดสีเท่าไหร่ก็ได้ก็สํารวมระวังไม่ล่วงละเมิดตามบทบัญญัติเหล่านั้น แต่ว่าการตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นพระหรือค า, วารวะก็ตามเช่ว่าเป็นคารวะเนี่ยทดลองรักษาศีลที่สูงขึ้นไปลองลองดูบ้างมันไม่มีเรื่องอะไรเสียหายหรอกแต่ว่าเป็นการฝึกความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราข้อที่สองแทนที่จะเรียกว่าอินทรียสังวรก็ไปเรียกว่าสติสังวรคือสัมรณ์ด้วยสติ ใจสติเราลึกรู้เท่าทันถึงความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆว่าสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นนั่นแหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดธรรมะแต่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสก็สำรวมระวังปิดกั้นเอาไว้ไม่เข้ามาสู่จิตไม่นำมาปรุงคิดไม่นำมาคิดปรุงแต่ถ้ามันเป็นเหตุให้เกิดกุศลธรรม ก็ใส่ใจสนใจโดยโยในโสบรรทิการโดยบายวิธีที่แยบ่ายหรือว่าอารมณ์นั้นมันเป็นกลางกลางไม่ถึงกับเป็นตัวกระตุ้นกิเลสหรือว่ากระตุ้นใ้เกิดธรรมะแต่เราคิดเป็นเราก็หาประโยชน์ได้อย่างที่รับสั่งไว้ว่าประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดใดโดยวิธีใดใด ให้ใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆไม่สนใจในสิ่งที่เราสัมผัสอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้โดยวิธีใดเราก็ใช้วิธีนั้นๆเป็นการมองแนววิปัสสนาคือความจริงที่แจม่มแจ้งชัดเจน และลองสังเกตว่าอารมณ์ของวิปัสสนานั้นอะไรก็ได้หยาน้ําค้างก็ได้พยับแดกก็ได้ตอมน้ําก็ได้ฟองน้ําก็ได้ทางธุรกันดานก็ได้ซากศพก็ได้อะไรก็ได้ปัญหานสําคัญเร า, เราคิดยังไงล่ะสัมผัสกอารมณ์เหล่านี้แล้วเราคิดยังไงแต่เราคิดเป็นเราเข้าใจคิดนี่เราหาประโยชน์ได้ทั้งหมด แต่ถ้าขาดหลักความคิดที่เราเรียกว่าโยนในสมรู้ร่วมคิดการขาดหลักความคิดโดยบายวิธีที่แยกคลายมีความสมเหตุสมผลมีความเหมาะสมในกรณีนั้นๆเราเอาไม่ได้ไหมกัปนปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่พื้นฐานทางสติปัญญาของเรา การต่อไปคื อ, อยาณสัง b o n สสำรวมด้วยความรู้สัมพันธ์กับสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นก็าติได้หลายวิธีอย่างวิธีหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรว่าลาบยศสันเส ร, ริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั่วไปทั้งแก่ปุถุชนและพระริยาบุคคลทั้งหลาย ทุกท่านเนี่ยสัมผัสกับโลกกระททั้งสองฝ่ายด้วยกันเท่านั้นแหละแต่ความแตกต่างมันอยู่ถึงไหนความแตกต่างมันอยู่ที่ปัญญาซึ่งเป็นหลักใจของคนสองฝ่ายนั้นบุทชนไม่มีระดับสติปัญญามากพอที่จะวินิจฉัยอารมณ์เหล่านั้นให้ขาดไปเลยแล้วในสุดมันก็ เกิดฟูแฟบใจก็ฝูก็แฟบ ไ, ไปตามอารมณ์ที่เกิดหมายความว่าถ้าได้ราบยอดสรรเสริญสุขก็ยินดียินดีในสิ่งที่ไม่เที่ยงนะฮะทั้งราบยอดสรรเสริญสุขในที่จริงมันขอไม่เที่ยงเรายินดีมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราไม่ยินดีมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเรายินร้ายมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น มันเป็นเรื่องคนละเหตุปัจจัยกันคนละเรื่องคนละเรื่องที่เราทำให้เป็นเรื่องเดียวกันในจริงมันคนละเรื่องกันทีนี้อุทุชนซึ่งไม่ได้พะเห็นภรยะไม่ได้ฟังธรรมของภรยะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของภรยะพอเจอกระส่วนที่น่าปรารถนาใจก็ฟูคือยินดี พอส่วนไม่น่าปรารถนาใจก็แฟบปนใจมันก็วิ่งขึ้นวินลงดนะ้วยความยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดียินรายไปเรื่อยๆแต่พระริยาบุคคฒเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นกำกับจะกขวายบวกขวายลบกฏ า, ามเกิดขึ้นท่านก็รู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ตัวมันเองอ่ะ เป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวทั้งตนของเราตอนมาเกิดมันก็เกิดอ่ะตามเหตุปัจจัยของมันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยของมันดับไปก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันหัวใจท่านก็เป็นฟูไม่แพร่เป็นตาชิโนคือคงชี้ เป็นอาจรโลคือไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวกับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จโกสัมพีแล้วก็ถูกนางมาคันยาจ้างคนด่าเนี่ยมีคนหวั่นไหวขนาดพระอนต์นยังหวั่นไหวก็ให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นเมืองนี้คนด่าเยอะเหลือเกิน ขุจารับสั่งว่าจะไปที่ไหนล่ะอโนนก็อ้างเมืองต่างๆเนี่ยสาวัตถีพาราณสีอะไรแต่อะไรก็แบบอุจารับสั่งถามแล้วถ้าคนที่นั้นก็ได้ยิ่งจะทําไงดังบอกย้ายไปเมืองอื่นตอกไปเรื่อยๆขุจารับสั่งว่าอโนนมันไม่สมเหตุประโยชน์ตอกทําอย่างนั้นไม่สมเหตุประโยชน์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดเนี่ยให้ยุติเสียก่อนให้เหตุการณ์นั้นมันยุติเสียก่อนแล้วค่อยไป จากสถานที่นั้นนั่นก็คืออะไรคือปัญญาที่เกิดขึ้นมาญาณที่เกิดขึ้นมาวินิจัยความจริงของสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนทำให้เราโกรธเนี่ยถ้าเราโกรธเนี่ยเราก็ข้าทางเขาที่ตั้งใจจะทำให้เราโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเขาก็เสียเชิง ผิดหวังทำไม่ได้ตามที่หวังอย่าที่ทรงสั่งสอนในกรณีของการพลัดพลา ก, กสูญเสียจะเรียกว่าปิยาวิปโยคนะเช่นญาติพี่น้องเราตายแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะร้องห่มร้องไห้แสดงปริเวธนาการคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆโดยไม่เคยถาแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะ ร้องไห้อย่างนี้แล้วคขาฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าแต่ต้องฟื้นนี่คุณต้องการหรือเปล่าตายไปสามวันแล้วฟื้นขึ้ น, นมาเนี่ยต้องการหรือเปล่าเราไม่เคยคิดตอบแต่เราก็ร้องไห้กันจนเป็นแฟชั่นไปแล้วพระเจ้ารับสั่งเตือนให้สติว่าการร้องไห้การปริเวทธนาการการคลำครวนการพิริพิไร บนเพอ้อด้วยประการต่างๆว่าประสบกับปิยะวิปโยคคือสูญเสียคนสิ่งสัตว์อันเป็นที่รักของตนไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรและสิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็ ค, คือหนึ่งญาติที่ตายไปแล้วเขาก็ไปตามกรรมของเขาแล้วแล้วก็ไม่รับรู้การร้องไห้เสียใจของเรา ประการที่สองสุขภาพจิตเราก็เสื่อมสุดลงไปสุขภาพกายก็จะเสื่อมสุดลงไปแล้วก็ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องเมื่อเราร้องโหยร้องให้เลยก็พลอยร้องตามกันไปก็กลายเป็นมหากรรมไปในขณะเดียวกันคนเราแต่ละคนนี่วันนี้คนที่เขาไม่ชอบเราอยู่ ก็จะรู้สึกสะใจดีใจที่เห็นเราประสบความพิบัติซ้อนๆประสบการณ์พระราสูญเสียแล้วญาตพี่น้องก็ตายไปแล้วเวลานี้ก็ประสบความทุกข์เราร้องหอบร้องไห้เสียใจไม่ได้ประโยชน์สักข้อดเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสักข้อดเดียว แต่ว่าในกระแสสังคมเนี่ยมื่ขาดยานขนาดนี้หรือขาดสติเราก็ร้องไห้เป็นคุ้งเป็นแควไปได้ได้ตลอดนะฮะอย่างคนอิสลามเนี่ยเขาเล่าใหาา้ฟังเพื่อได้ฟังข่าวนามนมาแลา้วหลายปีแล้วที่คนไทยเราคนไทยที่นับถืออิสลามที่ไป เกิดอุบัติเหตุสะพานพังที่ซาอุดิอระเบียตายรูย้สึกจะสามสิบคนไม่มีคนร้องให้เสียใจเพราะเขาถือว่าพระผู้เป็นเจ้ามารับคนเหล่านี้ไปอยู่กับพระองค์ในสวงสวรรค์ชั่ว น, นริรันดรนจะน้อยก็ช่วยจะจริงไม่จริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความเชื่อของขับ เลยเป็นวิธีคิดใช้ไดอันนั้นคืออะไรอะอาศัยปัญญาความรู้ในตัวอันเลาะแล้วก็ศรัทธาในองค์อันเลาะก็ทำให้เขาตั้งหลักได้ตั้งสติได้อีประการหนึ่งเขาเรียกว่าวิริยะสังวรนะฮะขันติสังวรก่อน คือสํารวมระวังโดยอาศัยขันติคืออดกาหอดทนทนทานต่อเรื่องเหล่านั้นไม่ไปหวั่นไหวกับเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความวิปริแปรปรวนของธรรมชาติทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายความเหนื่อยยากในการปฏิบัติภารกิจการงานหน้าชี่ต่างๆตลอดถึง อารมณ์ที่กระตุน้นกระตุ้นอาสวะรือกระตุ้นราคะโทสะโลภะโทตะโหะอะไรตามจิตใจจะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นก็ใช้หลักการอดการอดทนออกประการที่ทห้าเนี่ยก็เรียก ว, วิริยะสังวรคือสำรวมด้วยการ ลดละความชั่วและเพิ่มผูนความดีเป็นการเสริมภูมิต้านทานในเกิดขึ้นภายในจิตความชั่วมีสองประเภทความดีมีสองประเภทความชั่วประเภทหนึ่งยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันไม่เกิดความชั่วประเภ th. ทที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามลดลาเสียงความดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามไม่เกิดความดีที่เกิดแล้วก็พยายามรักษาไว้ปริมาณความดีเพิ่ม ปริมาณความชั่วลดมันก็กลายเป็นภูมิธรรมขึ้นภายในจิตจิตของบุงคคลเหล่านั้นก็จะมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นคือเรียกว่าถึงจุดหนึ่งคือสํารวมโดยไม่ต้องสํารวมสํารวมโดยอัตโนมัติ มันก็เหมือนกับธรรมชาติเช่นว่าดอกบัวเจเริญเติบโตในโคลนตรมเรียบร้อยวันหนึ่งเธอยกตัวเองพ้นพื้นน้ำขึ้นมาได้แล้วก็ชูกิ่งขึ้นไปข้างบนน้ำก็ซึมไม่ได้น้ำที่ตกลงมาจากข้างบนก็ซึมแก่ไม่ได้น้ำที่อยู่ข้างล่างซึ่งแกอยู่ด้วยแต่ก็ทำอะไรแกไม่ได้ ใจิตใจของคนเราก็ทรงสอนให้ฝึกเปรือประพฤติปฏิบัติในลันาากษณะอย่างนั้นแล้วก็รับสั่งว่าภิกษุประกอบด้วยปาติโมกขสังวรนี้นี้ชื่อว่าสีละสังรวรเรเรียกาปาติโมกขสังวรหรือสีระสังวรเหมือนกันนะครับซึ่งหมายความว่า สติสังวรก็คือสัมรวมตาหูจมลิ้นกายใจต่งางๆรับสั่งว่าตาถาคตกล่าวญาณว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นบุคคลย่อมปิดกันไปได้ด้วยปัญญานี่ก็ชื่อว่าญาณใสังวรญาณในที่นี้ก็คือปัญญานั่นแหละก็าอาจจะเรียกว่าปัญญ า, า จ, จะเรียกว่าวิชาอาจจะเรียกว่าแสงสว่าง อาจจะเร้กชื่ออย่างอื่นก็หมายถึงปัญญานั่นเองอีกประการหนึ่งในสังวรห้าประการนี้คันติสังวรและวิยาสังวรแต่แก่สังวรที่พึงกล่าวถึงว่าภิกษุพิจนารณาโดยแยกผ่านแล้วเป็นที่ที่ไม่ควรนั่งนั้น ม่ชื่อว่าสีละทั้งหมดตกลงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นสาธารณะทั่วไปแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะพระหรือเนรหรือโยมก็ตามแหละเป็นเป็นธรรมปฏิบตัติเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นลีลาอารมณ์ที่ถ้าหากว่า ผลยึะถือประพฤติปฏิบัติตามแม้จะเป็นเรื่องที่ทรงแสดงไว้สูงฮะความว่ามีพระหัตถ์เป็นยอดมุ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลเป็นพระหานก็ตามแต่ว่าระดับหนึ่งเราก็สามารถปฏิบัติได้กันทุกคนส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ละคน นี่ก็เป็นข้อที่พระตาจาณอธิบายจริงแต่ว่าท่านก็นำพระพุทธวจนะในพระสูตรอื่นๆนะฮะในพระสูตรอื่นๆมาเสริมพระสูตรนี้ให้ข้อความซึ่งทรงแสดงโดยสรุปขยายกว้างออกไปเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในแนวลึก แล้วก็แนวที่กว้างขึ้นแล้วเมื่อพรุ่งนี้ปรากฏแก่จิตเราก็จะรู้เท่าทันตามความจริงว่านี้เป็นกลุ่มกุศลหรืรออกุศลมีผลให้อยู่ด้วยหลักธรรมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจได้อย่างน้อยก็นานๆ น, น, น, นะฮะแต่ละคราวเกิงฝังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมยู่มีในท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี